รู้สึเบิกบานมีความสุขสนุกปั๊บจบแล้วก็จบเราจะเห็นแล้วว่าโอ้ที่ผ่านมานี่ชีวิตเราไม่น่าหรมันค้างตลอดเห็นเองครับเห็นเองวิธีที่เหมาะกับคนเมืองผมบอกให้เลยเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับคนเมืองแล้วจะเข้าสู่อินทรีย์พานาชั้นเลิศเนี่ยเราห้ามคนมาปฏิบัติ บอกกลับไปอย่าดูทีวีไม่ได้ออกไปอย่าออกไปกินข้าวอร่อยอร่อยไม่ได้เพราะทุกคนมีครอบครัวคนในครอบครัวอาจจะชวนคุณแม่ไปดูหนังสามีอาจจะชวนภรรยาไปดูหนังเราก็ต้องอนุโลมไปตามเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อาจต้องอนุวัติกันไปตามก็ไม่ได้แสดงอาการรังเกียจอะไรนะครับแต่ว่าการไปดูเพื่อความสุขของครอบครัวเพื่อความสุขของคนอื่นไม่ไม่มีปัญหาเลย แต่วิธีการเนี่ยสำหรับพวกเราเนี่ยนะครับที่จะเหมาะที่สุดคือทันทีที่จบแล้วถามตัวเองว่าไอ้ที่กําลังค้างเนี่ยมันอยู่ที่ไหนหรือว่าข้าวอร่อยอร่อยเนี่ยพอจบปั๊บโอ้ที่นี่อร่อยนะไม่เป็นไรใครจะว่าอร่อยก็ได้แต่เราถามตัวเองข้างในว่าอร่อยอยู่ที่ไหนเท่านี้ท่านจะค่อยๆไล่ไปจนพบว่าไม่ใช่ที่ตอนออกร้านอาหารด้วยตอนที่กลืนลงไปอ่หมดแล้วนะ แต่ความอร่อยมันค้างอยู่ในหัวอยู่ในวิญญาณอยู่ในสังขารการปุงแต่งเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละที่มันหลอกกันตลบตบตากันตลอดต่อหน้าต่อตามาเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าบอกว่าให้เอาทำสมาธิขนาดดูทีวีเนี่ยหลายคนไม่ยอมเพราะว่ามันพวกนั้นมันต้องแก้วกล้าอาหารในเมื่อมันเลยไปแล้วถามดู ไปเที่ยวไหนมาที่ว่าสนุกถามตัวเองว่าที่นั่นมันอยู่ที่ไหนสมมติไปทะเลแล้วโอ้นั่งคุยกันโอ้ทะเลสนุกถามตัวเองว่าทะเลอยู่ที่ไหนตอนนี้ท่านจะพบแต่เรื่องเรียรากอย่างเดียวเลยจะเจอเจอแต่เรื่องเรียรากอย่างเดียวแล้วท่านจะเริ่มสลดเองไปก็ไปได้ไปเถอะนะอนุวัตว่าไปตามเขาก็วิ่งทำไมเนี่ยผมถึงบอกว่าวันหนึ่งว่าเราเข้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ย จะเหมือนใบบัวน้ำโครนน้ำคลำ ม, มันจะลงมาติดไม่ได้ยังอยู่กับน้ำโครนน้ำคลำนี่แหละไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องดูแลกันไปคุณแม่ก็ต้องทำหน้าที่ของคุณแม่จะทิ้งคุณลูกมาบวชตลอดก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทำหน้าที่แต่ทำยังไงนี่แหละแล้วจะเข้าสู่อินทรีย์ภาวนาชันเลิศเองนะครับว่างก็ฝึกเดินจงกรมนั่งสามาธิสร้างกาลังไว้ให้นึกถึงภาพ เด็กประถมขึ้นไปต่อยกับไม้ไทยสันเราต้องค่อยๆสร้างกําลังด้วยนะครับอย่าเอาแต่ปัญญาพวกนี้ที่ผมชี้เนี่ยระดับปัญญาทั้งนั้นปัญญาถอดถอนปัญญาถอดถอนปัญญาถอดถอนแต่มันต้องมีกําลังบ้างนะครับไม่งั้นพอออกไปปั๊บเนี่ยประเจอสถานการณ์จริงท่านมองไม่ออกหรอกว่ตรงนี้มันอยู่ที่ไหนมันจะมองไม่ออกมันจะคลุกกันไปหมดเลยแต่ตอนนี้ผมแยกเป็นเรื่องเป็นเรื่องท่านก็เลยดูออกแต่ไม่มีปัญหาดีแล้วละมันสั่งสมเก็บไว้เป็นปัญญา วันหนึ่งเมื่อมันจังหวะมันถึงพรมันปับขึ้นมันนี่ไงวันนั้นแบบนี้เองเราถูกหลอกนะเออให้มันแย้งกิเลสกลับไปบ้านนะครับไม่ใช่เป็นปื้มก่ามันตลอดนี้เราถึงสัมมาวายมาเอ๊ะอย่างอย่างเราถึงมรรคองค์ที่ห้า เราจะเอามาัคโ์ที่หกของั่าโอเคอ่ะสวดตามบนจอเลยแล้วกันไม่ต้องเปิดกาตาโมจะพิกเวสัมมาวายามุสุก่อนพิสุทั้งหลายความภาคเพียนชอบเป็นอย่างไรเลา่าพีลาพิกเวพิกุสุก่อนพิสุทั้งหลาย เพิจูนายธรรมวินัยนี้อนุปันนังบาปะกันนังอกุสลานังธรรมนังอนุปาสายยคันจังจะเดชิวายามาติวิริยาราปติเจสังบาระนันติปะมาติจอมทงความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อพยายามตระรนความเพียรประกองตั h ้งจิตไว้เพื <S <S <ess as> ่อจะยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นโอปันนานังภาบาานังอกุศลนานังธรรมานังภานังญาณจันทางจะเนติบายามาติ เวรยังอาราพเดชเยตังปะกันนาเดชปะนาเิชยอมทําความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมขยายามลาโรคความเพียดปรากองขั้งจิตไว้เพื่อจะละอาคุณอรธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว อาตุปนันาังปุสานังตัมปนังปุปตาญาจันตังญาเนติมายาภิติวิริยานาราภิติเทตังปะกันอาติปะทาอาติยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมขยายยานปราโรคความเรียนปราควาตั้งคิดไว้ เพื่อยังกุศถว่าธรที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นปุปนานนานุสลานานัมมานานิทิญาอาสัมโมสายาอิโยภะวายาเวสุราญาอาวานายาปาลิภุริยาจันตัญเนติ วายาภิเตปยานาราภิาาเตเรตังปะกันอาเตปะถาติยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมพยายามรารรัความเพียนการกความตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลื่อนเลือนความเอ้าขามที่ขึ้นความไปบุ์ ความเจริญความเต็มรอบแห่งพุทโธธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอาญาโคจิติกเวสัมมาวายโมลูก่อนพ่สู่ตัลายอันนี้เราก่าวว่าความภาคเปลี่ยนชอบสัมมาวายโมความภาคเปลี่ยนชอบหรือความภาคเพียนอันถูกต้อง เรามาดูว่าต้องเพียนแบบไหนถึงจะถูกต้องนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ท่อนที่หนึ่งก็จะเห็นว่าย่อมทาความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปาราบความเพียรประคองตั้งจิตไว้ท่านจะเห็นว่าสี่คำนี้มีในทุกๆตอนเลยนะครับย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นมีหมดเลยแสดงว่าคงมีความสำคัญละ่ะไม่งั้นพูทเจ้าคงไม่พูดซ้าๆซ้ๆซ้ำๆ แต่ว่าเราจะมาดูเนื้อหาหลังจากนั้นก็คือในข้อเหมือนกับข้อ 6. กุดก็แล้วกันนะครับมรคองค์ที่6ในส่วนที่หนึ่งคือหกจุดหนึ่งเพื่อจะยังอกุศลธรรมมันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นสาระของสัมมาวายามคือข้อที่หนึ่งไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นในใจในส่วนที่เข้ามาถึงใจแล้วนะครับเข้ามาถึงใจแล้วนะครับส่วนกายวาจาจบไปแล้วนะครับตั้งแต่มรคองค์ที่5นี่มาที่องค์ที่6 เริ่มลึกเข้าไปในใจแล้วไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในใจมาถึง 6.2 ให้ละอักุศลอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะสังวรสำรวมอินทรีย์ยังไงก็ตามบางทีมีเสียงกระทบเข้ามามันก็หงุดหงิดมันก็โกรธมันก็เกิดมีอารมณ์ได้เหมือนกันทีนี้อารมณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นอกุศลท่านก็บอกว่าให้ละเสียเพราะฉะนั้นก็ต้องละไว้ๆหน่อย พอความโกรธเกิดขึ้นปับ๊บมีสติระลึกว่าโกรธกําลังเกิดขึ้นอกุศลกําลังเกิดขึ้นก็นละซะ 6. กสเพื่อจะยังกุศลลธรรม ท, ทีนี้มาถึงฝ่ายกุศลและเมื่อกี้ฝ่ายอากุศลอย่าให้เกิดเริ่มต้นจากอย่าให้เกิดเกิดแล้วให้รีบละทีนี้มาถึงอีกสองข้อหลังเป็นความเพียรทางฝ่ายกุศล ทำให้กุศลเกิดแล้วก็กุศลที่เกิดแล้วทำให้ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปจะเห็นัหมครับว่าความเพียรเนี่ยมีทั้งหมดสี่ข้อสองตอนตอนแรกเป็นส่วนของอกุศลอย่าให้เกิดถ้าเกิดให้รีบรักหลังจากนั้นมาถึงกุศลกุศลให้ม่มีรีบทำให้มีที่มีแล้วทำให้งอกงามไพ่บุ์ไม่ยากเนอะไร นี่คือความเพียรันถูกต้องทีนี้กลับมาดูที่ผมบอกว่าในทุกๆตอนจะมีประโยคที่ซ้ำๆลองมาดูประโยคซ้ำกันหน่อยสําคัญยังไงพระเจ้าถึงได้ซ้ําไม่ยอมห่างเลยย่อมทําความพอใจให้เกิดขึ้นเห็นอย่างครับจะมีความเพียรได้ต้องมีฉันทักถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เห็นประโยชน์ว่าควรจะออกจากวัตฏะทําไมเนี่ย เหมืนเด็กจะหัดขี่จักรยานถ้าไม่เห็นประโยชน์ของการขี่จักรยานเนี่ยล้มไม่กี่ทีก็เลิกไม่เอาหรอกขี่สองล้อก็ไม่ใช่เรื่องหมูหมูนะครับขี่ๆแล้วก็ล้มขี่ๆแล้วก็ล้มขี่ๆก็ล้มก็เลยไม่เอาแล้วแต่ถ้าเด็กคนไหนเห็นประโยชน์ว่าโอ้ถ้าขี่เป็นจะไปได้ไกลจะทําให้ประหยัดพลังงานอะไรต่อแล้วก็ว่ากันไปนะครับก็จะตั้งใจขี่ล้มเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเลิกล้มเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเลิกย่อมทําความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายามเห็นไหมครับพอเกิดความพอใจจะเกิดความพยายามปารบความเพียรอยู่ที่ไหนก็จะปารบความเพียรอยู่เรื่อยๆทําไม่หยุดเพราเห็นโทษภัยในวัฏฏะตอนนี้ท่านเห็นโทษโทษภัยในวัฏฏะหมดแล้วโอ้ยฉันไม่เป็นไรหรอกฉันมีความสุขดีเอ๊ะสุขแบบไหนไวะเนี่ยเริ่มฉุกคิดเริ่มพังหะขึ้นเป็นเป็นระยะระยะโอ้ยมนุษย์มีอายุสิบปีนะโอ้โหพระศิษยยังไม่ตาอีกตั้งนานโอาศาสนาก็คําลัง โอ้โหนี่วันๆก็มีกุศลอกุศลทั้องเยอะเหมือนกันสงสัยเห็นจิตดวงสุทธิอะมันชักประกอบกันหลายเรื่องไม่เอาดีกว่าไว้แล้วก็เกิดความพอใจที่จะออกดีกว่าไม่อยู่แล้วนะปฏิบัติไปปฏิบัติไปดีกว่าไม่หยุดเกิดความพอใจเกิดความพยายามปาราบความเพียนประคองตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้หล่นไปทางฝ่ายอากุศลนะประคองไว้กับกุศลอย่าให้ไม่ให้หล่นไปกับอกุศลทีนี้กลับมาดูในรายละเอียดสักนิดหนึ่งในเชิงปฏิบัติ อย่าง 6.3 บอกว่าให้ทำกุศลให้เกิดขึ้นเราเห็นมาตั้งแต่วันแรกเลยกุศลที่เป็นวิหารธรรมก็คืออนาปนสติเรารู้แล้วตั้งแต่ต้นนะถ้ากลับมาสัมผัสที่ลมหายใจรู้ที่ลมหายใจใจจะเป็นอุเบกขาแค่นี้เองเข้าสู่กุศลสติสัมปชัญญะเกิดอุเบกขาเกิ ด, กดไม่ไปทางฝ่ายอกุศลเพราะอุเบกขาดียังไง ก็เห็นจากอินทรีย์ภาวนาฉันเลิดชัดๆเลยอารมณ์มันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจดับลงไปไวดูก็พิบตาอุเบกขายัางคงเหลืออยู่จะ อ, อะไรซะอีกล่ะถ้าไม่ใช่เจ้าตัวนี้เพราะฉะนั้นฝึกตัวนี้ไวมีแต่ได้ไม่มีเสียยิ่งให้จิตเคยคุ้นกับอุเบกขาก็คือจุ่มอยู่ในน้ำธรรมดาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอมันโดนน้ำร้อนปุ๊บมันสะดุ้มโดนน้าร้อนปุ๊บมันสะดุ้เพราน นั่งดูหนังสมมติว่านั่งดูกับใครก็แค่ดูหนังดูหนังปั๊บกลับมารู้ลมสองสมทีกลับไปดูหนังรู้ลมสองสมทีหลายคนบอกว่าดูไม่สนุกจกังไม่หนุกเลยก็นั่งไงเดี๋ยวก็รู้เองก็รู้เองไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและต่างกันก็คือว่าถ้าไม่รู้ลมมันจะไหลเข้าไปในนั้นที่เขาเรียกอินอินเดี๋ยวก็หัวเลาะร้ อ, องไห้หัวเราะร้ อ, องไห้ไปกับหนังแต่พราะรู้ลมมันก็มีเหมือนกันแต่มันจางลงไป มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นอย่างน้อยมันเห็นโอ้โหนี่มันลดลงไปได้แฮะนี่ถ้าตั้งมั่นกว่านี้สงสัยขาดเลยไงเลยนี่จะไปดูทำไมเนี่ยเสียตังมาลงรู้ลมรู้ลมฮอลลีวูดก็ทเวนตี้เซนจูรฟก็ลงทุนกันตั้งหลายพันล้านเรานั่งรู้ลมรู้ลมดูเท่าไหร่ก็ไม่มันนะคนเพื่อนถามว่าโอ้โหหนังมันไหมเธอโอเคตอบแบบไม่เสียน้ำใจก็โอเค แล้วก็ออกเรามีสติตั้งมั่นหลังจากนั้นผมถามว่าท่านจะดูไหยถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยจะไปเสียเงินไหมไม่เสียเห็นแล้วยังปัญญาพาพรากออกจากกลามเองลูไปเขาไม่หนุกเขไม่รู้ดูทําไมเออดิ่งไงพูดเองเนี่ยแต่ถ้าออกไปอย่าไปดูหนังนะมูแต่ไอ้อยากดูแต่พอดูแล้วก็รู้ลมดูวันหนึ่งไม่ดู แล้วหลายคนเดี๋ยวนี้ไปดูแต่นักปฏิบัติไปถามใครผมว่าร้อยละแปดสิบหรือเปล่าไม่รู้ในรถไม่มีใครเปิดเพลงเลยผมไม่เห็นใครเปิดเพลงในรถเลยนะหรือว่าเฉพาะคนใกล้ชิดผมไม่รู้ <c oughs> เขาผมไม่รู้จะเปิดทําไมอะ่ะเพลงฟังทีเดียวมันก็รู้แล้วมันร้องอะไรแล้วมันจะเปิดซ้ําทําไมผมว่าอ่ะแล้วทำไ ม, ม, ออมทีเสียงพระสอนธรรมะแล้วทําไมฟังซ้ำอ๋อมันไม่เหมือนเดิมเ <c oughs> นี่ยมันเห็นมองอื่น ก็จริงกันแต่เพลงมันก็ซ้ําอยู่แค่นั้นมันก็ไม่มีอะไรฟังทีเดียวก็วางแล้วก็ เ, เห็นเองไงว่าอะไรไร้าสาระอะไรเป็นสาระแต่ผมก็ฝากเตือนด้วยนะสาระก็อยู่ในสิ่งไร้าสาระนะรั่นแหละอย่าเอาแต่สาระมันจะไม่ได้สาระเพราะว่าสาระก็อยู่ในของไร้าสาระนะรั่นแหละยกตัวอย่างหน่อยท <c oughs> ไม่ทัน สาระคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเอาแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิเห็นใครก็นั่งพักผ่อนนั่งคุยกันก็โอ้โหนี้ไ ร, ร้สาระเลยไม่เห็นเลยจนกว่าจะหยุดแล้วก็นั่งคุยถึงเห็นว่าโอ้พรานนทก็เดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งคืนเลยในคืนสุดท้ายจนกระทั่งวางไม่ไหวแล้ว เหนื่อยไม่ไหวพอดีกว่าพักดีกว่าถ้าการพักเป็นไร้สาระพระนนก็บรรลุธรรมตอนตอนนั้นเป็นสาระก็อยู่ในไร้สาระนะั่นแหละไร้สาระก็อยู่ในสาระอะทีนี้สัมมาวายาโมเข้าใจแล้วนะครับความเพียรอันถูกต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มอกุศลก็ละซะ ง่ายๆกลุ่มกุศลก็จเจริญขึ้นโดยมีความพึงพอใจที่จะทําแล้วก็ทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆอากุศลในใจเนี่ยต้องละต้องละอย่ามัวแต่ไปเจริญนะพูดกันง่ายๆความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยพระุทธเจ้าบอกให้ละอกุศลทําให้มันบรรเทาเบาคลายอย่ามัวแต่ไปเจริญมันขึ้ น, นการรู้เป็นการเจริญมันขึ้นเพราะฉะนั้น หลวงพ่อเอี้ยนมักจะเตือนว่าขยะมีไว้ทิ้งนะไม่ได้มีไว้เก็บเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นพวกอกุศลเนี่ยวางลงซะแล้วก็มาเจริญกุศลวางลงซะแล้วจริญกุศลสติระลึกแล้วไม่ต้องต่ออย่าสร้างภพนะครับเดี๋ยวพอไปถึงปฏิจจสมุปบาทจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะว่าเมื่อเราเข้าไปเจริญอกุศลอกุศลจะโตทันทีเกิดเป็นภพภพเป็นชาติชาติเป็นชรามรณะเลย ในการรู้ลมปั๊บมันจะขาดอยู่ที่ผัสสะกระทบปั๊บมันจะหยุดที่เวทนาเป็นอุเบกขาเลยไม่ก่อให้เกิดตันหาพบชาติดับทันทีนะครับเดี๋ยวถ้าศึกษาปฏิจจสมุปบาทจะเห็นเลยว่าการรู้ลมเนี่ยหยุดพบชาติทันทีนะสังเกตได้เลยเพราะอุเบกขาเนี่ยอยู่ที่เวทนาพอเวทนาหยุดอยู่ที่เวขาเนี่ยมันจะไม่ต่อเป็นตันหาเลยแต่ถ้าไปเจริญปั๊บเนี่ยมันจะเกิดตันหาคืออยากให้มันดับ วิพากษ์ปัญหาคือผลักดันมันออกไม่อยากให้มันอยู่ด้วยตอนนั้นจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านแล้วก็จะเกิดเป็นภพทันทีแล้วเกิดเป็นชาติชราโมรณะครบวงเลยนะทําตามที่พระเจ้าตรัสนะครับอยู่กับวิหารธรรมเป็นอันมากที่ลมหายใจแล้วจิตจะหยุดถ้าท่านฝึกให้จิตหยุดด้วยการรู้ลมหายใจจิตหยุดนิพพานเดี๋ยวมันจะเปิดให้ฟังว่าพระเจ้าตรัสว่าไงคือจิตหยุดเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยม้วนเดียวจบ ไม่ต้องเปลี่ยนม้า ก, กลางศึกนะม้วนเดียวจบเลยฝึกอย่างนี้แล้วปล่อยทันหลังพอเห็นอุเบกขาเป็นของเกิดดับปล่อยอุเบกขาทีเข้าสุญตาเลยนะครับนะพูดมาตรงนี้ให้ฟังซะเลย ก็ไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุอาโน์ส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วย่อมได้เฉพาะซึ่งอุเบกขาว่าถ้าไม่ควรมีและไม่พึงมีแก่เราก็ต้องไม่มีแก่เราเห็นไหมครับผมบอกว่าสุดยอดของธรรมคืออะไรไม่ใช่ของเราอย่าเอาเป็นของเราเนี่ยกาลังจะสุดแล้ว ภิกษุพูดถึงอุเบกขาแล้วเนี่ยแต่ไม่ยอมวางอุเบกขาเนี่ยไม่ปรินิพพานสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดมีแล้วเราจะละทิ้งสิ่งนั้นเสียดังนี้ภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมุกอยู่ซึ่งอุเบกขานั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญ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 พอภาวนาจนเข้าสู่อุเบกขาไม่ต้องอาศัยลมหายใจหรืออะไรแล้วจิตอยู่ที่อุเบกขานิ่งแต่จิตกลับไปยึดอุเบกขาท่านกระแทกอีกทีหนึง่งให้ปล่อยอุเบกขาให้เห็นอุเบกขาเกิดดับวิญญาณจะหมดอุปาทานวิญญาณจะดับเมื่อวิญญาณดับ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 ผมถามว่าท่านรู้ลมเนี่ยคือข้อที่หนึ่งใช่ไหมครับเตือนจมกลมคือข้อที่หนึ่งถูกไหมครับวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยใช่ไหมครับท่านรู้ลมหายใจวิญญาณตั้งอยู่ที่รูปนะวิญญาณกับจิตจิตมโนวิญญาณผู้เจ้าบอกว่าไปด้วยกันนะคำเดียวกันจะบอกว่าจิตก็ได้มโนก็ได้วิญญาณก็ได้ใจก็ได้ เพราะฉนเวลาท่านรู้ลมอยู่เนี่ยวิญญาณตั้งอาศัยอยู่ที่รูปมีรูปเป็นอารมณ์แล้วอะไรเป็นอารมณ์ครับอุเบกขาภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพนันทิคือความเพลินความเพลินในอารมณ์ เวลาเข้าไปดูอะไรเนี่ยก็จะเพลินมันจะไหลเข้าไปเนี่ยเพราะนั้นถึงต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นไว้ไม่งั้นดูอะไรก็ไหลดูอะไรก็ไหลนะครับก็จะเกิดเป็นอารมณ์วิญญาณก็จะมีอาหารก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บุญได้ที่สุดทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เอาละตรงนี้ผมสรุปให้ท่านฟังที่เมื่อวานผมบอกว่าถ้าดูลูปที่มุมพอรู้ลมวิญญาณตั้งที่ลม รู้คิดวิญญาณตั้งที่สังขารพอรู้สัญญาวิญญาณไปตั้งอยู่ที่สัญญาเห็นไหมครับผู้เจ้าตัดไว้เลยวิญญาณมีรูปเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นอารมณ์วิญญาณเที่ยวเกาะเพื่อนเป็นอารมณ์สร้างอารมณ์โดยมีนันทีเป็นเครื่องเข้าไปซ่องเสพดูอะไรก็เพลินดูอะไรก็ไหลดูอะไรก็ไหลภิกษุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เราจาักบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความไพ่บุ์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นจากสังขารดังนี้นั้นนี้ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลยการจุติการอุบัติการเจริญงอกงามของวิญญาณเนี่ย โดยไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารเน่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่เหมือนกาวฝาที่เที่ยวไปอยู่ตามเพื่อนภิกษุทั้งหลายถ้าราคะในรูปประธาต์ในเวทนาธาตในสัญญาธาตในสังขารธาตในวิญญาณธาตเป็นสิ่งที่พิกษุละได้แล้วเพราะละราคาได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี เวลาเรารับประทานอาหารเราก็บอกว่าเป็นรูปเป็นธาตุแต่พอมันอร่อยเราก็เกิดราคะราคะก็ทำให้วิญญาณเนี่ยโตวิญญาณก็ได้อาหารทุกครั้งที่เราอร่อ ย, ยก็เกิดเป็นราคานุใสไปสักไปหมักดองอยู่ในจิตในอวิชชาจิตบุคจิตโง่เนี่ยก็ยิ่งทำให้วิญญาณโตใหญ่ โตขึ้นไปอีกแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดวิญญาณไม่มีราคะไม่มีความเพลินไม่มีนันทิไม่มีตัณหาความอยากวิญญาณจะไม่งอกงามหลุดพ้นไปวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเอง เพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วรมชันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ครับเมื่อไรวิญญาณดับที่ซึ่งนามรูป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 มาปฏิบัติเอาอะไรครับสติปัญญาแต่พระอชิตะฯกับถามผู้เจ้าว่าปัญญาและสติกับนามรูปจะดับไปที่ไหนท่านก็บอกว่าเธอถามปัญหาข้อนี้เราจะแก้ปัญหาข้อนี้แก่ท่านนามและรูปดับไม่มีเหลือในที่ใดปัญญาและสติกับนามรูปก็ดับไปที่นั้นเพราะความดับไปแห่งวิญญาณ เมื่อไรวิญญาณดับสติดับปัญญาดับวิญญาณจะดับได้ยังไงเพราะสังขารดับสังขารดับได้ยังไงเพราะอาวิชชาดับเป็นวิชารู้แจ้งแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ที่รู้แจ้งถึงที่สุดเห่งทุกข์จบพรหมจรรย์แล้วเป็นผู้ที่วิญญาอาบเป็นผู้ที่สติดับปัญญาดับ ท่านไม่มีสติปัญญาแล้วเหลอไม่มีคนไม่มีผู้มีสติปัญญาเหลือแต่ความเป็นสติปัญญาแต่ไม่มีผู้ไม่มีประธาน สิทธิโง่ไปเรียนเซนสังคายกองค์ที่หาหาผู้สึกทอดก็คือต้องการหาพระสังฆราชองค์ที่หกแต่การจะได้สังคายกองค์ต่อไปจะต้องหาผู้ที่รู้ถึงเซนเพื่อจะรับมอบบาทละจีวรในสำนักมีคนเป็นพันมีสิทธิพี่ใหญ่ คนหนึ่งอยากได้ตะแแมงนี้มากก็ไม่รู้จะบอกอาจารย์ว่ายังไงคืนหนึ่งจึงตัดสินใจไปเขียนที่กำแพงหน้าห้องอุติของอาจารย์ว่าร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพจิตเหมือนกระจกเงาเราต้องหมั่นเช็ดถูมันจึงจะสะอาดอยู่เสมอเช้าขึ้นมาอาจารย์เห็นข้อความบนกำแพงก็จึงถามว่านี่ใครเขียนจิ์ก็บอกว่า จิตพี่ใหญ่เป็นคนเขียนท่านก็อืมเอา้าทั้งสำนักท่องกันร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพจิตเหมือนกระจกเงาเราต้องหมั่นเช็ดถูถึงจะสะอาดอยู่เสมอก็ท่องกันทั้งสำนักจนกระทั่งท่องไปก็เสียงไปจนถึงในโรงครัวซึ่งสิตโง่ไปเรียนเซนกําลังอยู่ในนั้นสิตโง่ไปเรียนเซนก็คือ ท่านเวลามันไม่รู้หนังสือเห็นก็ท่องกันก็เลยถามเพื่อนว่าก็ท่องอะไรกันเพื่อนก็เล่าให้ฟังพอทํางานเสร็จกลางคืนก็บอกว่าพาเราไปดูหน่อยสิพอตัวเองอ่านหนังสือไม่ออกเพื่อนก็อ่านให้ฟังร่างกายเหมือนต้นโพจิตมันก็จกเงาเราต้องหมั่นเจ็ดถูถเช็ดสาดอยู่เสมอบอกนั่นเขียนของเราตอบไปหน่อยสิเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์ดา่าเธอเขียนไปหน่อย เขียนว่าอะไรถ้าไม่มีทั้งต้นโพไม่มีทั้งกระจกเงาที่ฝุ่นจะจับที่ไหนก็เขียนไปเช้ามาอาจารย์เห็นรีบเอาน้ำลาดเอาเท้าลบเลยเอาเท้าลบให้ทุกคนเห็นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้สัญญาณให้ไปพบกันตอนตีสามแล้วก็มอบบาด จ, จีวรแล้วบอกให้ดีไปให้ไกลเพราะรู้ว่าจะทุกข์ฆ่า เขาลุถึงเซนแล้วถ้าไม่มีทั้งต้นโพแล้วไม่มีทั้งกระจกเงาขี้ฝุ่นจะลงจับที่ไหนเล้าใช่ไหมเขาบอกนะวันนี้นั่งน่งอยู่มีคนสมมติว่าทำให้ไม่พอใจปั๊บอภิสุศนเกิดมีสติเข้าไปจัดการ ร่างกายเหมือนต้นโพจิตเหมือนกระจกเงาปั๊บสิ่งสกปลกจับแล้วถูกไหมครับเราต้องหมั่นเช็ดถูเอาสติเข้าไปเช็ดถูมันจึงจะสะอาดอยู่เสมอเดี๋ยวๆปั๊บอากุสนเกิดอีกแล้วปั๊บต้องหมั่นเช็ดถูมันถึงจะสะอาดอยู่เสมอถูกไหมเดี๋ยวๆก็หมั่นเช็ดถูเดินสัมมาวยามะไปดูนะละอกุสนจริญกุศนศไว้ พออะไรเกิดปั๊บละอกุศนเจริญอกุศนไว้อกุศนเริ่มโตขึ้นละอกขุศนเจริญอกุศนไว้ละอกุศนเจริญกขุศนไว้สมมุติละอักุศนอยู่สามสิบปีนะไม่ต้องคิดอะไรเร็วนะห้าวันห้าวันเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากออกไปทําอีกสามสิบปีนะเดี๋ยวนี้ผมต้องบอกอีกสาสิบปีค่อยมาส่งอารมณ์นะไม่ต้องมาส่งอารมณ์ตอนนี้สามสิบปีค่อยมาส่งอารมณ์ละอักุศนเจริญอกุศนไว้ละอกขุศนเจริญอักุศน วันหนึ่งจำได้ไหมคนที่ขโมยของแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเขาพบคนทำเงินหล่นแล้วก็เอาไปให้เพื่อนถามว่าเธอถือศีลเหรอเปล่าแต่เขาเรียกว่าคนคนนี้มีศีลบริบูรณ์ละจนไม่มีอกูสลจะละขณะที่อกูสลมันเบาบางลง ใจที่เริ่มมีอคติรลมันเริ่มเบาบางเห็นอาการไหวๆแล้วก็หายไหวแล้วก็หายไม่ขึ้นมาแล้วก็สู้ตายแบบเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้แตะนิดเดียวหายกำลันจะไหววุ๊บหายหายในอีกส่วนหนึ่งตอนที่จิตตั้งมั่นเห็นการเกิดดับของเวทนาของจิตของธรรมารมณ์ไหมเห็นเห็นควบคู่กันไปนี่แหละในขณะที่ละอารมณ์บ้างเดี๋ยวก็เห็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็ดับไปจิตตั้งมั่นด้วย เพราะฉะนั้นในหมวดข้อที่หกเจ็ดปดอยู่ตรงนี้เองผสมกันอยู่ตรงเนี้ยรู้รู้ละตั้งมั่นรู้รละละตั้งมั่นตั้งมั่นรู้รละละละละรู้รตั้งมั่นอยู่ตรงเนี้ยละกุศลละกุศลเจริญกุศลเจริญกุศลไว้จนกระทั่งไปถึงจุดจุดหนึ่งมันเห็นว่าอะไรอะไรก็มีแต่ของเกิดดับอะไรอะไรก็มีแต่ของเกิดดับอะไรอะไรก็มีแต่ของเกิดดับของเกิดดับเป็นทุกข์สิงเป็นทุกข์เพราะเป็นอนัตตามีสิ่งกระทบก็เกิดหมดเหตุก็ดับกระทบมาก็เกิดหมดเหตุก็ดับ มันเห็นอยู่ตรงนี้วนไปเวียนมามันเริ่มปล่อยมันเกิดวิราฆธรรมคือความเบื่อหน่ายครความยึดถือแล้วมันปล่อยพอปล่อยมันก็ดับเขาเรียกนิโรธพอปล่อยความยึดถือมันก็ดับแรกๆปล่อยก็ดับปล่อยก็ดับปล่อยก็ดับปล่อยก็ดับหลังๆมันปล่อยอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็เลยดับตลอดดับอยู่นานๆ ก็เลยรู้สึกมันว่างมันก็ดับต่อไปเนี่ยสภาพเนี่ยมันนิโรธอย่างเดียวเนี่ยแต่มันกลายเป็นดับช่วงแรกเรียกดับเพราะเมื่อก่อนมันติดพอหายไปก็เลยเรียกดับแต่ทีนี้ไม่รู้จะเรียกอะไรเพราะมันดับตลอดก็เรียกดับไปก่อนไม่รู้จะเรียกอะไรหลังจากนั้นพอดับนานๆมันชักว่างมันไม่กระดิกกันเลยข้างในมันว่างนานต่อไปอีกก็คือนิโรธเหมือนเดิมเนี่ย แต่กลายเป็นความรู้สึกสงบอยู่อย่างนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยหลังจากนั้นก็สลัดคืนปฏินิสขะเข้าสู่นิพพานสงบเย็นหมดความยึดถือไม่มีต้นโพ ไม่มีกระจกเงาขี้ฝุ่นจะจับที่ไหนล่ะทีนี้นี่แหละพอถึงตรงนี้วางหมดสติปัญญาทำงานแต่ไม่มีเราเขาก็ทำงานเข้าไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่ตรัสรู้แล้วท่านก็ยังทำงานช่วยเหลือผู้คนตลอดมาด้วยอะไรละ่ะก็ด้วยพระมหากรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณนี่ไม่ใช่ปัญญาเหรอ แล้วสติล่ะทําไมดับล่ะอคุสนไม่มีแล้วแมวเองนั่งงาวอยู่ตั้งงานแล้วหนูไม่ออกมาสักตัวเพราะหนูหายเกลี้ยงเลยวันหนึ่งแมวก็เดินหายไปเหมือนกันแมวไม่รจะอยู่ทําไมเพราะไม่มีหนูแล้วก็ไม่มีใครทํางานเพรว่างกันหมดไม่มีที่ตั้งเอาแค่นี้ก่อน อมาที่มรรคองค์ที่เจ็ดเราจะเห็นความผสมผสานกันของมรรคสามตัวที่เป็นสมาธิกาธรรมะจิตกเวสม า, าสติดูก่อนปิสุทั้งหลายความละลืชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทาพิกเวพิกุ ลูก่อนทิสูทั้งหายทิสูในธรรมวิัยนีกายเอกายนุปัสสิวิหะรติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจําอาตาปิสัมปชานโณสัติมานินัยญาโลเกอภิจาโอมาณัง มีความเพียนเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติอดความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเพียรได้เวทนาสุเวทนานุปสิวิหาราติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำ อาตาปิสัมปชาญาสัติมาริเตยโลเกอภิกชาโลมานั ส, สังมีความเพียงเครื่องเผากิเลสมีสัมปัญญามีติความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ีเตจิตานุปัสสิวิหารเิ ชอบเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชาโนสติมานปินียโลเกอาพิชาโทมานัสสางมีความเปลี่ยนเครื่องเขากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถ อ, อนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเพ่อได้ เเม็นสุตตานุปัสสิวิหารติเราเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจําอาตาปิสัมปชานโวสติมาปิเทยโลเกออาภิชาโตมานัสสังมีความเพียนเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญามีสติ ขอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกของที่ไรอายายัวใจติจิกเวสมาสติรูกอดนิสุทังอ้ายอาณีเรากลาวว่าความละเลยชอบกายเวทนาจิตธรรมนะครับพิจณาให้เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม ตั้งแต่ฐานกายนะครับก็ที่อธิบายไปเป็นผู้วิจารณาเห็นกายในกายก็อาศัยกรรมฐาน4หมวดได้6หมวดนะครับเพื่อจะทําให้เห็นความจริงของกายว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาจะได้ถอดถอนความยึดมั่นในกายออกนะครับเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายกายในกายในความหมายแรกก็สามารถเข้าใจได้ว่าสมมุติว่าเราดูการเคลื่อนของแขนเมื่อเราเข้าใจความเคลื่นอน ร, รูปนามของแขนหรือว่าธาตุสีของแขนหรือปฏิกูลของแขนเนี่ยมันจะเข้าใจทั้งหมดได้นี่ก็คือกายในกายส่วนที่เป็นแบบอธิบายกันระดับพื้นที่สุดส่วนกายในกายในระดับของการปฏิบัติเชิงลึกขึ้นไปอีกก็จะเห็นคล้ายๆกันมันจะเกิดเป็นนิมิตภาพเชิงซ้อนขึ้นมาอ็อแวบๆแวบๆอยู่เรื่อยๆบางคนก็เห็นความเป็นธาตุบางคนก็เห็นโครงกระดูกอ่าบางคนก็ไปเห็นอ่าเหมือนกับ เป็นหุ่นยนต์อะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นนิมิตจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่แต่มันทําให้เกิดความเข้าใจการถอดถอนเมื่อมันเห็นอย่างเนี่ยมเข้าไปมากๆจิตมันจะยอมรับว่ามันไม่ใช่เราเราก็าใจผิดเราไปยึดมันเองเพราะฉะนั้นการที่ทําบ่อยๆเรืองๆบ่อยๆเนื่องๆบ่อยๆนรืองๆมันจะแวบขึ้นนะครับแวบขึ้นมาเรื่อยๆเพราะั้นสิ่งเนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำความเพียรจริงๆหยุดไม่ได้เลย มันจึงเหมาะกับคนที่เอาจริงเอาจังหลายคนก็บอกว่าออกไปมันมันก็เหมือนเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะทายังไง น, นี้ถ้าพูดกันแบบไม่ไม่เกรงใจกันก็บอกว่าไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะก็ทำได้แค่นี้แหละมันก็ต้องตามไปอยู่บ้านด้วยกันแนละตามไปอยู่ก็ยังเตือนไม่ได้แล้วนะีมันก็ ก็ชีวิตใครกับชีวิตใครก็ต้องดูแลเองทีนี้มันก็มีข้อคิดอยู่อันหนึง่งนะครับมันต้องถามตัวเองว่าเราเอาจริงหรือเปล่าถ้าเราเอาจริงเราอย่าพูดแต่ปากเราลองมาดูการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตเราดีกว่าไม่ต้องมานั่งให้ใครบอกใครเถียงหรอกผมถึงบอกว่าเราเป็นปัญญาชนถ้าเราเอาเขียนลิสต์มาเลยว่าสิบอย่างในชีวิตเนี่ย ที่เราทำทุกวันเนี่ยอะไรอยู่อันดับหนึ่งให้ตรงไปตรงมากับตัวเองอะไรที่เราให้ความสำคัญอันดับหนึง่งงานขาดไม่ได้เลยสองลูกสามครอบครัวสี่กิจการลูกน้องห้ากิน หกเที่ยวเจ็ดละครแปดข่าวเก้าสวดมนต์สิบนั่งสมาธิถ้าไหวถ้าไม่เพียเกินจบแล้วจบแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ผมถึงบอกว่า รู้หมดแต่ว่าท่านเอาไว้ตรงไหนล่ะท่านจะเอาไว้ตรงไหนหลังข่าวเลยเหรอความสำคัญให้แค่นั้นเองเอนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามใครพอเราจัดความราดับความสำคัญเสร็จมีใครไ้ยล่ะหนึ่งการปฏิบัติธรรม ถ้า อ, อย่างเงี้ยมีสิทธิ์ลุ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขียนอย่างเดียวก็ต้องมาดูความจริงว่าแล้วยังไงเหรอตื่นมาฝึกฝึกมีสตนะิรู้ความจริงขับรถไปเปิดเอ3พสามสวดมนต์การบรรยายแล้วก็ว่าไปเรื่อยนะถึงออฟฟิศทำงานถึงเวลาทำงานทำเต็มที่ไม่มีปัญหาอะไรไม่โกงไม่ขโมยเวลางานของใครเพราะไม่งั้นจะผิดศีลนะขโมยเวลางานก็ผิด ก็ทําไปเต็มที่ถึงเวลาทำเวลาครอบมีให้พักผ่อนก็พักผ่อนได้พักผ่อนก็เบรกกลับมาภาวนาเดินเข้าห้องน้ำภาวนาตลอดนะครับมีใครเสียลูกค้าโทรมาดา่าพับกระทบเห็นใจวับล่างกุศลเจริญกุศลไว้ล่างกุศลจเจริญกุศ ล, ลศ เ, ศเห็นแล้วพวกเขาก็ต้องมีความทุกข์นะเราต้องช่วยทุกคนนะเราได้สินค้าของเราไปเขาไม่พอใจเขาก็ต้องด่าเป็นธรรมดาเราก็ต้องหาทางช่วยเขาพ้นทุกข์ก็ทําไปอย่างเงี้ยปฏิบัติธรรมตลอดอย่างเงี้ย ให้ความสําคัญของการปฏิบัติธรรมเป็นอันดับหนึ่งไอ้อย่างเนี้ยมีสิทธิ์เริ่มเอาแทรกเข้าไปจริงๆล่ะพอรู้แล้วมันแทรกได้เนี่ยเริ่มแทรกเข้าไปทุกจุดเลยไม่ได้เสียงานเลยไม่เสียอะไรเลยลมหายใจก็มีอยู่จับมันรู้ซะเลยลูกค้าก็มีอยู่ก็ช่วยมันก็ไปสิเรามาทํางานให้เขาไม่ใช่เหรอมานา่นั่งหงุดหงิดด่าอยู่ได้อะไรเขาจ้างมาให้ฟังดา่าเขาไม่จ้างมาให้นั่งเฉย ให้นางเขาจ้างมาแก้ปัญหาไปนั่งกินเงินเดือนอเปล่าเส้นเม่อไรใช่ไหมไม่ก็จะจ้างมาทําไมนันเจ้านายเอ็มดีก็ฝังเองเอ็มดีไม่อยอมฟัง <c oughs> ก็ต้องจ้างคนมาฟังคําด่าแทนแล้วก็แก้ปัญหาไปแก้ไม่ได้เขาก็เปลี่ยนคนนั่นก็ทํางานไปทํางานไปตอนนี้หน่วยงานหนึ่งเขาบอกว่า <c oughs> ผมเพิ่งไปอบรมมาบริษัทใหญ่ <c oughs> โอ้โหอาจารย์ <c oughs> ตอนนี้ที่มีปัญหาที่สุดในองค์กรคือพวกรับโทร ศ, รรศัพท์ โดนด่าไม่หยุดเลยลูกค้าโทรมาที่มีแต่ด่าอย่างเดียวทุกคนเครียดมากเลยกลับบ้านเครียดแล้วพวกที่อยู่ได้ไม่นานเลยขนาดองค์กรใหญ่มากแล้วจ่ายเงินเดือนก็ดีด้วยไม่มีใครเกินสามปีเลยอายุงานออกหมดเงินเดือนเอาไม่อยู่เลยพอลูกค้ามันด่าเช็ดมันด่าทุกวันราคาน้ํามันมันขึ้นทุกวันไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้จะไปเดือดร้อนทําไมนองไม่ใช่โอเปกซะหน่อยเขาด่าพขาด่าโอเป็กเไม่ได้ด่าเรา โหนด่าไม่หยุดออกจากงานกันอุตลุด ท, ทนไม่ไหวกลับบ้านเครียดนอนไม่หลับโดยลูกค้าด่าผมก็ไม่เข้าใจไปเครียดทำไมแค่ลมปากไปเอาคำพวกนี้มาเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนขึ้นมาก็ทุกข์นั้งทุกข์อยู่บอกขอให้เปิดคอสให้พวกนี้หน่อยได้ไหมเอาเฉพาะพวกนี้เลยหลายร้อยคนเลย ก็บอกจช่วยใครพ้นทุกข์ได้ก็เอามีอีกอันมาติดต่อเดี๋ยวนี้ไปเรื่อยเลยนะอาจารย์ดิฉันมีลูกน้องสามพันกว่าคนมันเลี้ยงลูกไม่เป็นเลยฮะแล้วไงอาจารย์เปิดคอร์สเลี้ยงลูกหน่อยดิฮะ <c oughs> ตอนนี้มันมีปัญหากันมากเลยเหรอเอาขนาดนั้นเลยนะ เลี้ยงลูกแบบวิปัสนาอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูวันกะแล้วกันลองดูวันเองทุกอย่างเลยแต่ละคนกายในกายเวทนาในเวทนาก็เหมือนกันเพราะเวทนามีสามตัวมีพอใจไม่พอใจแล้วก็เฉยเยเห็นตัวใดตัวหนึ่งก็จะเห็นทั้งสามตัวแหละเพราะทั้งหมดก็เกิดดับว่างจากตัวตนกันหมดเกิดดับว่างจากตัวตนมีแค่เนี้ จิตก็เหมือนกันจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะอ่าเดี๋ยวมีแล้วก็ดับพอดับก็ไม่มีแล้วจิตมีโลภะสังเกตโอ้จิตมีโลภะเกิดไปเห็นของชอบปุ๊บมีโลภะเดี๋ยวเดีวสังเกตดูใหม่กรับอ่ะไม่มีล้วเนี่ยมันก็จะเข้าใจว่าอ้อจิตเดี๋ยวโลภะมีเดี๋ยวโลภะไม่มีเข้าประกอบแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปสัพพสิทธสัพพสิ่งทั้งหลายเกิดเกิดดับดับอยู่แค่นี้เอง ในกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดสาระสําคัญให้เห็นก่อนว่าสรรพสิ่งเกิดแล้วดับไปเป็นธรรมดาจําได้ไหมว่าที่เราดูกันเมื่อวานนี่คือภูมิธรรมของโสดาบันเห็นอยู่อย่างเนี้ยเกิดเกิดดับดับดับับเกิดเกิดเกิดเดดับดดับเกิดเกิดอยู่เนี้ยจนกระทั่งเดี๋ยววันหนึ่งก็เห็นโอ้เกิดดับนี่เป็นทุกข์จริงๆีมันจะไปยึดถือทําไมพอยึดถือยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่สภาพมันก็ทุกข์อยู่แล้วพระเจ้าถึงได้ตรัสว่าการปรากฏขึ้นแห่งขันคือการปรากฏขึ้นแห่งทุกข์ มันทุกข์อยู่แล้วไอ้ของเกิดเกิดดับดับพยายามรักษาสภาพตัวมันเองเนี่ยมันทุกข์มันเป็นสภาพทุกข์สิ่งเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่างจากตัวตนมีเหตุให้เกิดจึงเกิดเกิดเป็นรูปขึ้นมาสักพักแล้วก็สลายตัวไปถ้าไปยึดถืออะไรมันเป็นอนัตตาเข้าใจตามนี้มันก็ว่างล่ะสัพเพธรรมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น สพเพนารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่เพราะว่าไม่ได้มีตัวตนอะไรเป็นหน้าตามีเหตุปัจจัยก็เกิดหมดเหตุก็ดับมันเห็นมันเกลียวขึ้นเหมือนพยับแดจิตก็เริ่มคลายออกคลายออกวิราคธรรมตรงนี้สำคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นสาระสำคัญของสติปัฏฐานสี่ก็คือเห็นการเกิดดับเป็นทุกว่างจากตัวตน หลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรรู้ั้ยครับมีความเพียรครึ่งเผากิเลตมีสัมปชัญญะมีสติคือมีความเพียรที่จะเฝ้าดูไปเรื่อยๆนะครับคำว่าเฝ้าดูไม่ใช่ดูต่อเนื่องนะคือดูไม่หยุดตลอดสามสิบปีเนี่ยเห็นมาตลอดจนกระทั่งถอนความพอใจและความไม่พอใจถอนความพอใจและความไม่พอใจคือเริ่มวางเข้าสู่ความเป็นกลางต่อโลก ในโลกออกเสียได้โลกคํานี้แทนจิตแทนขันธ์ทะโลกถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกปล่อยพัวเกิดปัญญารู้แจ้งปล่อยพัวเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะมาถึงมรรคองค์สุดท้ายนะครับจะได้จบาามมามมมเวมส ดูกรภิสุทั้งหลายความตั้งใจมันชอบเป็นอย่างไรเล่าอิตาภิกขะเวภิกขุดูกรภิสุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้วิวิเชเวะคาเมหิตสมาธิจากการทั้งหลายวิริชฌาภูสะเลหิตัมเมหิ สหัดและวจากทำที่เป็นอกุศลทั้งหลายสาวิตากางสวิจารังมีเวกชังปิติสุขังปัมังจารังอุปสัสสปัจชามิหานติเข้าถึงปมัมัจารนระกอบร้วยวิสุวิจารปีติและสุขันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ วิตาข่าวิจารณังอุปัสมาก็ความที่วิสุวิจารทั้งสองหลังดำลงอาจารังสัมปัสนานังเจตสุนเจงโกฏิภาวังอวิทากังอวิจารังสะมาธิจังปิณิสุขังสุทิยังชานังอุปสัมปะชาวิหรติ ก้าถึงทุติยฌานาเป็นเครื่องของใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกกุศีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแลวแหลอยู่ปีติยาจะวิราคาอาหนึ่งพราะความจางหายไปแห่งปีติ ผู้เป็นกุจอวิหารติตาโตจัสมปชาญโงมจอเป็นผู้อยู่เบกัามีสติและสัมปชัญญะตสวขั้นจากกายนาปิสังเวเดติและยอมเสบุญความสุขด้วยนามกายยานตังอริยาอาจิคันติ ผู้เป็นขากอดสถิมาสุขาวิหารนี้ญาณิธิพระอริยเจ้าทั้งหลายยอมกล่าวสารเสริญผู้นั้นว่าเห็นผู้อยู่อุเบกขามิสถิอยู่เป็นปกติสุขดังนี้สาธิยังชานางอุปสัมปจาวิหารนี ก้าถึงสติราชาแว้วแลอยู่โภกัสสจปปหานังโรมลาสุขเสียได้โลกัสสจปา น, านปังแรมโรมลาสุกขเสียได้ภูขเข ว, วโทมานัสโทมานัสนานังอัตังกา ระความถับไปแห่งสโสมานาสและสโสมนัททั้งสองในการก่อนอาลูกกรรมทุกขังอุเบกขาสธิภายิสุทวเงจะตุทั้งจานาอุปาสัมปัจชาวิหารติดเข้าถึงเจตุตจาย์ไม่มีทุกไม่มีทุก มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เท่าอุเบกขาแล้วแลอยู่อ า, าญางัวชาติพิกเวสัมมาสมาุทธิ์ลู้ก่อนพิสุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความตั้งใจมันชอบ สัญญาณเน็ตเนี่ยทีนี้เรามาดูสัมมาสัมมาทิให้จบ ความตั้งใจมั่นชอบนะครับสมาสัมมาธิท่านจะแบ่งไว้เป็นตั้งแต่ชานที่หนึ่งสองสามสี่เราจะมาดูว่าจําได้ไหมครับว่าที่เรามานั่งอธิบายกันเกี่ยวกับการที่ว่าคนนั้นก็บอกว่าเฉยเยคนนี้ก็บอกเฉยเยคนโน้นก็บอกเฉยๆยคนที่อยู่ชานที่หนึ่งก็กว่าตัวเองเฉยเฉคนที่อยู่ทานที่สี่ก็บอกตัวเองเฉยเยตกลงแค่ไหนมันคือเฉยเฉยกันแน่เราจะเอาเฉยเฉหรือว่าอุเบกขาตัวไหนเป็นตัววัด พอถึงตรงนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าปอถึงานที่สี่ผู้เจ้าตอบว่าอย่างไงเข้าถึงฌานที่สี่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระอุเบกขาแล้วแลอยู่ถ้าเราจับความตรงนี้เราจะเห็น ว, ว่าตรงนี้เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์มากๆเลยของอุเบกขาเพราะนั้นถ้าจะเอาตรงนี้เป็นที่วัดก็จะเห็นว่าถึงแม้ฌานที่สามจะเป็นอุเบกขาเหมือนกันแต่ก็คงยังไม่เท่านี้ ของฌานที่สองว่าจิตตั้งมั่นเด่นดวงก็คงไม่เท่าฌานที่หนึ่งก็คงไม่เท่าอุเบขาเฉยๆในคนธรรมดาก็ยิ่งคงไม่ถึงแน่แต่เอาละ่ะไม่เป็นไรเพราะความตั้งมั่นของจิตเนี่ยตั้งแต่ปฐมฌานเนี่ยสามารถเห็นการเกิดดับได้แล้วเราก็จะมาดูกันว่าปฐมฌานเริ่มต้นที่ตรงไหนสังัดแล้วจากกรรมทั้งหลายเห็นไหมครับสงัดได้จากทํามันเป็นอกุศลเมื่อไหร่ก็จามจิตเริ่ม สังกัดจากรกามคือเครื่องรบกวนในใจวันนี้ทําไมพระเจ้าถึงให้เนคขม่าจากรกามเพราะมันจะทําให้สงบมันจะไม่รนเผารนนี่วอร์ห้ามันจะไม่เกิดวันแรกๆทําไมมาแล้วมันนั่งไม่ได้ทําไมวันที่สามวันที่สี่มันเริ่มดีขึ้นเพราะมันเริ่มสังกัดจากกามสังกัดจักรธรรมมันเป็นอกุศลนะครับเห็นไหมครับเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารวิตกวิจารตรงนี้ก็หมายถึงว่าองค์บริกรรมทั้งหลายก็ยังมีอยู่ นะครับสิ่งที่เราพิจารณายอยู่ก็ยังอยู่พูดยังไงว่าเสียงทั้งหลายอย่างเช่นว่ารู้ลมเนี่ยอาการที่รู้ลมหรือว่าความรู้สึกที่รู้ลมอันนี้สั้นอันนี้ยาวอันนี้เป็นวิตกวิจารณวิจารณคือผลของมันตรองขึ้นมาตรตรึกคือวิตกแล้วก็ตรองคือผลของมันก็คือโอโ้มีความสงบปเป็นอุเบกขานะรอันนี้ยยังมีเสียงพวกเนี้เป็นวิจารณ์ไม่ใช่วิจารณ์แบบที่เราเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่วิตกกังวลแบบที่เราเข้าใจนะครับ มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกเริ่มเกิดปิติเกิดขนลุกขนพองน้ำหูน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวโยกตัวโคลองเลยก็อาการที่เกิดขึ้น น, นี่เข้าสู่ปฐมวิชารหลังจากนั้นเมื่อวิตกวิจารณ์ทั้งสองระับลงแปลว่าถึงตอนนี้เงียบละถ้าท่านนั่งสมาธิตอนนี้มันเงียบหมดเลยลมหายใจช้าค่อยๆแผ่วละเอียดขึ้นเริ่มรู้สึกเงียบๆบังเวนแล้วเงียบๆ เมื่อวิตกวิจารทั้งสองล้ครับลงเข้าสังขารที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมัญเอกอุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณเงียบละองค์บริกรรมจะเงียบมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิตอนนี้เหลือปีติกับสุขมิตกวิจารณหายไปแล้วเหลือปีติกับสุขโอ้มันดื่มดำจิตใจตั้งมั่นเป็นเอโกทิภาวะอันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปีติเห็นไหมครับสักพักปีติก็หายเหมือนกัน อะไรอะไรก็เกิดดับไม่เห็นไม่ยต้องยึดถือย่อมอยู่เป็นย่อมเป็นผู้อยู่เบกขามีสติและสัมปชัญญะปิติก็เริ่มหายไปแล้วตอนนี้สเสวยความสุขด้วยนามากายเห็นแล้วยังว่ารูปนามทั้งหมดมีนามขั้ น, ม, น ม, มีนามมีนามาขั้นคำว่านามากายก็คือความสุขที่เกิดขึ้นทั่วสารพรางกายเราได้เห็นภาพของการสมาธิกับผลทางกายแล้ว เพนั้นท่านเดาออกเลยว่าถ้ามีความสมาธินิ่งระดับนี้เนะี่ยโอ้โหความสุขของนามากายเนี่ยคล้ายๆว่าทุกอนูของร่างกายจะหลั่งสารเขาเรียกอะไรสารสุขนี่เขาเรียกอะไรเอ็นโดฟินเนี่ยเออค ล, คล้ายๆอย่างนั้นนะครับมันก็เลยมีความสุขซาบซ่านอายุมันก็จะยืนขึ้นอย่างเงี้ยเซลล์มันก็โอ้มันมันกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทุกทุกอนูเลยชนิดที่พระอริยเจ้า เราสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขาเห็นไหมตรงนี้ก็อุเบกขาชั้นที่สีก่ก็เบกขานี่ไงมีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้แค่นี้พระอริยเจ้าก็สรรเสริญแล้วนะครับเข้าถึงตติยะฌานคือฌานที่สามเพราะละสุขเสียได้และละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเข้าถึงฌานที่สี่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติตอนนี้นิ่งสงบปราณีตอยู่อย่างนั้นอยู่นั้นจิตก็อยู่งั้นอยู่กับสติที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เข้าถึงฌานที่สี่ทีนี้ถ้าใครเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้นานๆบ่อยๆบ่ยๆนานๆเนี่ยเวลาออกจากฌานเนี่ยมันจะยังทรงฌานอยู่จิตจะตั้งมั่นเพราะฉะนั้นไม่ค่อยไหลไปตามอารมณ์จะไม่ค่อยไหลไปตามอารมณ์การปฏิบัติภาวนาจะง่ายมาก ไม่ต้องใช้กําลังเยอะเหมือนกับรถมีกําลังมากอะไม่ต้องใช้กําลังมากเห็นการเกิดดับเป็นการเกิดดับเป็นการเกิดดับเห็นปุ๊ปุ๊บปุ๊ปุ๊บปบ ป, บปบว่องไวไปหมดนะจิตก็เข้าสู่กรำนิโยคือคล่องแคล่วว่องไวต่อกันนะเพาล่ะนะครับเอาตรงนี้ก่อนจบแค่นี้ก่อนท่านจะได้ไปพักแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปดูภาพรวมแล้วค่อยๆลงในเชิงของโครงสร้างอีกครั้งหนึง่ง คืนนี้เราคงจะลงไปที่เรื่องของอปฏิจสมุบบาทนะครับส่วนธรรมจกักเอาไว้พวกนี้ก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องมันจัะเริ่มต่อเนื่องกันไปไเรื่อยๆกลับแล้วครั บ, รบอีกทีหนึ่งก็หกโมงครึ่งเลยก็แล้วกั น, นเพราะว่านี้เราปล่อยห้าโมงนะท่านจะได้อาบน้ําอาบท่า